มีมนให้รับอาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพวกเรามีมากด้วยกันน้องหญิงพระปเจกุทธเจ้าบอกมีประมาณเท่าไหร่ท่านผู้เจริญนางถามมีประมาณพันรูปท่านผู้เจริญพวกู้ขพเจ้ามีประมาณพันคนเหมือนกันคนหนึ่งจักถวายภิกษาแด่พระคุณเจ้ารูปหนึ่งขอท่านจงรับภิกษาที่บ้านของขพเจ้าเถิดขพเจ้าผู้เดียวจะทําที่อยู่ถวายท่านทั้งหลาย พระปฏิเเจพุทธเจ้ารับอาราธนานางสร็จธุระแล้วกลับเข้าไปในบ้านเที่ยวเปล่าประกาศให้เพื่อนบ้านทราบว่าได้นิมนพระปฏิเเจพุทธเจ้าพันรูปไว้ขอท่านทั้งหลายจงจัดแจงที่นั่งจัดอาหารมีข้าวต้มข้าวสวยเป็นต้นนางได้สร้างพ ร, รารมใหญ่กลางบ้านให้ปูอาสนะไว้เรียบร้อยเลี้ยงพระปฏิเเจพุทธเจ้าด้วยโภชนะอันประนีตเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้วนางได้พาหญิงบริวารพันคน นมสการพระปัเจตพุทธเจ้าแล้วขอให้ท่านรับปฏิญญาในการอยู่จําพรรษาที่นั่นเมื่อท่านรับแล้วนางอ็เปล่าประกาศขอแรงเพื่อนบ้านให้ช่วยกันสร้างแสนาสนะถวายในวันออกพรรษานางได้ชักชวนคนทั้งหลายให้ถวายจิวรแก่พระปัเจตพุทธเจ้าที่อยู่ในบรรณศาลาของตนของตนพระปัเจตพุทธเจ้าอนุโมทนาแล้วลาจากไปนางและบริวารทาบุญอย่างนี้ ไปเกิดในพบดาวดึงมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นเกิดในกรุงพาราณสีอีกกูน่าช่างหูเป็นบุตรของกุดุมพีใหญ่ปัญญาของเขาได้มาเกิดเป็นธิดาของกุดุมทีใหญ่เหมือนกันเมื่อเจริญไหวแล้วได้แต่งงานกันส่วนบริวารก็มาเกิดในสกุลกุดุมทีบริวารและได้แต่งงานกันเหมือนกันวันหนึ่งมีการเป่าร้องให้คนไปฟังธรรมในวัด ผู้ ก, กุดุมพีเหล่านั้นก็ชวนกันไปไปถึงกลางวัดฝนตกลงมาคนพวกอื่นที่มีพิสุหรือสามเณรเป็นที่คุ้นเคยก็เข้าไปอาศัยกุฏิของพิสุหรือสามเณรนั้นแต่พวกกุดุมพีพันคนไม่มีญาติหรือพิสุสามเณรที่สนิทสนมเลยยึงยืนสากฝนอยู่กลางวัด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 คนเหล่านั้นลงมาเกิดในมนุษยโลกขุน่ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในกุกระกุจาวดีนครต่อมาได้เป็นพระราชาพระนามว่ามหากปิณนะคนอื่นๆเกิดในสกุลอมมาดได้เป็นราชบริวารส่วนพัญญาของขุน่ากุฎุมพีเกิดในราชตระกูลในนครสาขะแขว้นมัททะพระนาง ม, มีผิวดังดอกอังกาบมีพระนามว่าอโนชาสมพระปณิธาน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 แต่ปูระภูปนิสัยอันเคยสั่งสมไว้กับพระรตะนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คอยกระตุ้นเตือนพระทายอยู่เสมอให้น้อมไปในการนายการมสุขและน้อมไปในการสแสวงหาเนคคามสุขคือความสุขอันเกิดจากธรรมทรงรู้สึกว่าการมสุขเจืออยู่ด้วยทุกข์เจือด้วยความวิตกกังวลมีภยัยมีเรื่องต้องหวาดระแวงมากรูปเสียงกลิ่น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 บางรายความรักไม่สมหวังต้องตรอมใจจนสิ้นชีวิตหรือทําอัตค่าตกรรมความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายเหล่านี้ล้วนมีกามเป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งสิ้นทรงเห็นด้วยปัญญาว่าโลกของกามเป็นโลกที่รกชัดนิ่งเยงเศร้าหมองไม่ปลอดโปรง่งความสุขที่ปราจากกามน่าจะเป็นความสุขที่ละเอียดประณีดผองแผ้วไม่ต้องระแวงภัย ไก่เล่าจะเป็นผู้นำทางพระองค์ให้เดินออกไปจากโลกชัดเตอเรียวหนามแห่งกามนี้เสียได้ทรงทราบว่าอัครบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหลสามารถชักจูงคนให้พบความสุขที่สงบประณีไม่เกี่ยวด้วยกามแต่บัดนี้บุคคลอย่างนั้นอุบัติขึ้นในโลกแล้วหรือไม่ทรงให้ราชบุรุษเทีเ่ยวขี่ม้าส่ะงแสวงหาอยู่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 เราจากออกบวชอุทิศพระาศาสดาเหมือนกันทรงแจ้งเรื่องทั้งปวงให้ภัญญาของพวกอมตะทราบแม้พัญญาของพวกอมาตะเหล่านั้นก็พร้อมใจกันสละทรัพย์สมบัติและเครือญาติออกบวชตามสเสด็จเสด็จข้า ม, ม่น้ำทั้งสามสายด้วยรถเทียมม้าโดยทํานองเดียวกับที่พระราชาสเสด็จข้ามสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประทับนั่งแล้วทูลถามถึงพระราชสวามีว่าสเสด็จออกบวชอุทิศพระพุทธองค์ คงจะเสด็จมาที่นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าบรรดาด้วยฤทธิ์มิให้หญิงเหล่านั้นเห็นสามีของตนและรับสั่งว่าขอท่านทั้งหลายจงนั่งฟังธรรมก่อนท่านทั้งหลายจะได้เห็นสามีของท่านณที่นี้เองหญิงเหล่านั้นมิจิตร่าเริงยินดีว่าจะได้เห็นสามีของตนพระศาสดาทรงแสดงธรรมคืออนุปพิกถามีฐานเป็นต้น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 ไปสู่วัดเทตวันเหมือนกันบรรดาพิสุทั้งพันรูปนั้นพระมหากปินเถระจะนั่งยืนเดินหรือนอนณที่ใดก็ตามเปลงอุทานอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอ พิสุททั้งหลายได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าพระมหากปินะระลึก ถ, ถึงความสุขในราชสมบัติจึงเปล่งอุทานดังนั้นจึงนำความข้อนั้นกราบทูลพระาศาสดาพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระมหากรินะเข้าเฝ้าตรัสถามว่ากรินะได้ยินว่าเธอเปล่งอุทานปารบกามัสุขและสุขในราชสมบัติจริงหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ย่อมทรงทราบดีว่า ข้าพระองค์ทรงเปล่งอุทานเพราะปารบกามมศุขหรือไม่พระพุทธองค์ทรงทราบจริงจึงตรัสกับพิสุท์ทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายมหากปินะบุตรของเราเปล่งอุทานหาใช่เพราะปารบกามมศุกไม่แต่เพราะว่าปารบเนคขมสุขนิพพานสุขจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระพุทธภาษิตว่าผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใส ย, ย่อมเป็นสุข บัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วดูกอนพราดาคนเราทุกคนรักความสุขชังความทุกข์เมื่ออยู่ก็อยากอยู่อย่างเป็นสุขเมื่อตายก็ขอให้ตายอย่างเป็นสุขการกระทำทุกๆอย่างของมนุษย์เราก็เพื่อให้ได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนความสุขเป็นความพอใจอย่างสูงสุด ข, ของมนุษย์มองเผินๆดูเหมือนว่ามนุษย์เรามีความต้องการมาก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 หรือความสุขของคนทั่วไปแต่ผลแห่งการกระทําอย่างนั้นก่อให้เกิดความสุขใจแก่ตนอย่างน้อยตนก็พอใจที่ได้ทําอย่างนั้นบ่เกิดแห่งความสุขความพอใจมีหลายอย่างและหลายระดับเราจึงได้เห็นคนสแสวงหาความสุขในทางต่างๆกันบางคนสแสวงหาความสุขทางกลามเรียกกางมาสุขบางคนสแสวงหาความสุขความพอใจด้วยการบําเพ็ญประโยชน์แก่สังคม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 เป็นความสุขที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะักส่วนความสุขอันได้จากการปฏิบัติธรรมจนใจสงบปราศจากนิวรเป็นความสุขอันไม่เจือด้วยโทษมีความปลอดภัยธรรมปิติเช่นนี้มนุษย์ทั่วไปไม่เคยได้รับเป็นความสุขอันผ่องแพ้วประนีตกว่าเป็นธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศไว้พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมพอใจความสุขอันเกิดแต่ธรรม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 สามารถจะกล่าวพระสัตธรรมได้โดยชอบสามารถแสดงธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์สามารถแก้ข้อข้องใจข้อกล่าวหาของผู้อื่นได้ 3. ม, มีพิษุณีสาวิกาที่มีความสามารถเช่นเดียวกัน 4. มีอุบาสกทั้งประเภทพรหมจรรยและประเภทครองเรือนที่มีความสามารถอย่างเดียวกันห้ามีอุบาสิกาทั้งประเภทพรหมจรรยีและประเภทครองเรือน ที่มีความสามารถอย่างเดียวกันเพียงแต่ขาดอุบาสิกาประเภทครองเรือนเสียอย่างเดียวพระมรรย์หรือศาสนาก็ไม่ชื่อว่าเจริญบริบูรณ์ดูกรพระดาข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะเป็นกําลังอันสาคัญของพระพุทธศาสนาก็การประกาศสิ่งใดเล่าจะประเสริฐเท่าการประตาศธรรมการปฏิบัติสิ่งใดเล่าจะประเสริฐเท่าการปฏิบัติธรรมและการบรรลุอะไรเล่า จากประเสริฐเท่าการบรลุธรรมเราทั้งหลายจะต้องสถาปนาธรรมขึ้นในโลกเพื่อโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขปราศจากธรรมเสียแล้วโลกย่อมร้อนละอุแห้งผากเสมือนนาข้าวอันหาน้ำหล่อเลี้ยงไม่ได้ดูกรราดาคิดให้ดีแล้วท่านผู้สละโลกทั้งหลายนั้นท่านสละโลกเพื่อโลกนั่นเองหาใช่เพื่อใครไม่ท่านสละโลกไปชั่วคราวเพื่อกลั่นตัวให้บริสุทธ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 ทั้งนี้เพราะมิได้สดับธรรมของพระอริยะใจจึงมืดมนไร้ปัญญาจักสุปราดา จะมีภารกิจใดเล่าประเสริฐกว่าการสอนธรรมเพราะการสอนธรรมเป็นการให้ปัญญาจักสุแก่มนุษย์ผู้ได้ปัญญาชื่อว่าได้ทุกอย่างทั้งมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติอันเป็นเครื่องระ ง, งับดับทุกทั้งปวงเป็นการตรดปลดปื้งภาระอันหนักที่ติดตามมนุษย์มาตลอดสังสารวัตอันยาวนานแต่ผู้สอนธรรมนั้นต้องไม่เพียงแตสอนจากกริมงี่ปาก ต้องให้ทานั้นออกจากใจของตนให้บานออกมาจากข้างในออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงของตนไปเถิดพราดาไปตีกรงธรรมให้ผู้มีโสดได้ยินไปส่องประทีพธรรมในที่มืดคือโลกอันมืดอยู่ด้วยโมหะนี้เพื่อผู้มีปัญญาจากสุจะได้มองเห็นความจริง